ทวนีเปรตแห่งแดนอาทิตย์อุทยัยความเชื่อเรื่องเปรตไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังปรากฏในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นอีกด้วยโดยกําเนิดของเปรต ญ, ญี่ปุ่นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการกําเนิดเปรตของไทยคือเมื่อตอนที่ยังเป็นมนุษย์ได้กระทํำบาปหนักหรือเป็นคนที่ละโมบโลกมากทําให้เมื่อตาจาับโลกมนุษย์ไป ก็ได้กลายเป็นเปรตผู้หิวโหอยอดอยากต้องทนทุกทรมานกับความอดอยากนั้นไปอย่างยาวนานจนกว่าจะหมดกรรมหรือคนที่กระทำบาปอย่างใดอย่างหนึง่งจนภาวะของบาปมีความประจวบเหมาะ ก, กับการเกิดในภพภูมิของเปรตเมื่อตายไปแล้วจึงเป็นเหตุให้เกิดมาในภพภูมิของเปรตทันทีดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้งากิเปรตผู้หิวโหยเปรตในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นได้ปรากฏในหนังสือ อินกะโมโนกาตาริหรือเรื่องแห่งกรรมเรื่องมีอยู่ว่าในหมู่บ้านอิชิฮาระซึ่งตั้งอยู่ในภูเขาฮิโรบเมืองเอโดมีชายผู้หนึ่งที่มีนิสัยไม่ดีนะักเพราะเขาจะเป็นคนที่ละโมบโลภมากอีกทั้งยังไม่ชอบแบ่งปันผู้อื่นเป็นคนตรณีที่เหนียวเห็นแก่ตัวไม่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเขาย่างเขาไวยชาราในอายุ70ปีเขาได้กลายเป็นเ ป, นเปรตทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่โดยพฤติกรรมที่แสดงออกว่าเขาเป็นเปรตนั้นคือ เขาจะกินอาหารไม่รู้จักอิ่มโดยในหนึ่งวันเขาจะกินข้าวถึงวันละสี่ถห้าถั ง, ถงแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาคลายจากความหิวโหวยไปได้เลยจนในที่สุดเขาได้ตายเพราะความหิวเป็นเหตุในเวลาต่อมาหลังจากที่เขาตายแล้ววิญญาณของชายชาราได้เกิดเป็นเปรตแล้วเข้ามาสิงสู่ในร่างของลูกสะพ้ายทําให้ลูกสะพายเกิดความทรมานเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อเกิดความหิวโหวยทีไรจะต้องเจ็บปวดทรมาน เปรดในร่างของลูกสะพ้ยมักจะพูดเสมอว่าหิวข้าวหิวข้าวหากแต่เมื่อใดที่ญาติพี่น้องได้เข้าไปปลอบใจเปรดในร่างลูกสะพ้ยก็จะเลิกสิงสู่จากนั้นลูกสะพ้ยก็จะหายเป็นปกติจึงเรียกได้ ว, ว่าทั้งลูกสะพ้าและพ่อสามีที่ตายกลายเป็นเปรดนั้นต่างก็มีการร่วมกันจึงเข้ามาสิงสู่ในร่างกายเพื่อบอกความต้องการของมันเองที่จะรู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาและไม่มีวันอิ่มแม้จะกินมากเท่าไหร่ก็ตาม โดยเรียกเปรตประเภทนี้ว่างาจิโดยลักษณะของการปรากฏของเปรตงาจินั้นมันมักจะส่งเสียงแผดร้องในยามค่าคืนจนทําให้คนฟังแสกเก้าหูได้เหตุที่มันต้องร้องเสียงดังขนาดนั้นเพราะมันเกิดความหิวโหวยในอาหารนั่นเองจิกินินกิเปรตกินซากศพสําหรับความเชื่อเรื่องเปรตนั้นแบ่งแยกออกมาหลายประเภทเพราะเปรตแต่ละชนิดต่างประกอบกรรมชั่วมาไม่เหมือนกัน อย่างเช่นจิกินิงกิก็เป็นเปรตอีกประเภทหนึง่งที่ประกอบกรรมชั่วมาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มักจะเป็นผลกรรมอันเนื่องจากความละโมบโลภมากทำให้เมื่อตายไปแล้วกลายเป็นเปรตที่ต้องมากัดกินซ้าศพของมนุษย์อย่างไม่รู้จักอิ่มเรื่องราวของเปรตจิกินินกิตมีอยู่ว่ามุโซโกคกุชิซึ่งเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านได้ออกเดินทุ ด, ดงไปยังสถานที่ต่างๆและได้เข้าไปในเขตจังหวัดมิโนะจนหลงทางในภูเขาแห่งนั้น พระมุโซได้เดินทางตามป่าเขาเรื่อยไปเพื่อหาทางออกแล้วก็พบกับกระท่อมหลังหนึ่งซึ่งมีพระชรารูปหนึ่งอาศัยอยู่พระชรารูปนั้นได้บอกเส้นทางไปยังหมู่บ้านเพื่อให้พระมุโซพนักค้างคืนโดยพระชรารูปนี้ให้เหตุผลว่าท่านต้องการความสงบวิเวจึงขอปฏิเสธไม่ให้พระมุโซค้างคืนด้วยพระมุโซก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นความปรารถนาของพระชราที่ต้องการอยู่เพียงลําพัง ท่านจึงเดินทางมายังหมู่บ้านตามเส้นทางที่พระชรานั้นบอกไว้จนในที่สุดก็พบกับหมู่บ้านแห่งนั้นชาวบ้านที่นี่ให้ความศรัทธาพระสงฆ์อยู่แต่เดิมแล้วเมื่อเห็นพระมุโซมาขอพำนักอาศัยจึงต้อนรับเป็นอย่างดีและหาที่พักให้แต่ขณะเดียวกันในวันนั้นเองทางหมู่บ้านมีพิธีศพซึ่งเป็นศพของพ่อเจ้าของบ้านที่ให้พระมุโซได้พักนั่นเองเจ้าของบ้านเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่มีพระผ่านมาพระจะได้ทําพิธีสวดส่งดวงวิญญาณของพ่อตนเองให้ไปสู่ในภพภูมิที่ดี เจ้าของบ้านจริงได้เข้ามาพูดคุยกับพระมุโซเพื่อขอให้ท่านสวดส่งวิ ญ, ญญาณให้กับผู้เป็นพ่อซึ่งท่านกระรับปากจะประกอบพิธีกรรมให้แต่ตามความเชื่อของชาวบ้านแห่งนี้คือหลังจากทําพิธีสวดส่งวิ ญ, ญญาณแล้วพวกเขาจะทิ้งของเส้นไหว้ไว้กับศพและไปครั้งคืนที่หมู่บ้านข้างๆเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันเหตุไม่ดีที่จะเกิดขึ้นซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้บอกว่าเหตุไม่ดีนั้นคือสิ่งใดหลังจากทำพิธีสวดศพแล้ว ชาวบ้านต่างก็ไปค้างคืนที่หมู่บ้านอื่นยกเว้นครามุโซที่ขอพักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ต่อไปเพราะถ้าไม่ได้เกรงกลัวเกี่ยวกับผู้ผีปีศาจในคืนนั้นเองท่านได้พำนักอยู่ภายในห้องเก็บศพและทําสมาธิภาวนาอยู่ท่านรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างจึงได้ลืมตาขึ้นมาพบว่ามีปีศาจช น, นิดหนึ่งที่เรียกกันว่าเปรดได้มาแทะกินเนื้อศพที่กําลังเน่าเปื่อยอย่างอเด็ดอร่อยมันกินศพอย่างไม่ลืมหูลืมตาและไม่สนใจว่า มีพระเข้ามองพฤติกรรมของมันอยู่อย่างน่าเวทนามันกินทั้งเนื้อนหนังและควักกินเครื่องในของศพมันยัดทุกอย่างเข้าไปในปากลิ้นมันตวัดเลียกินทั้งน้ําเลือดน้ําหนองเมื่อมันกินศพจนหมดไม่เหลือซากแล้วพระมุโซยังได้ยินเสียงท้องของมันร้องดังอยู่แสดงให้เห็นว่าเปรตจะกินมากเท่าไหร่ก็กินไม่อิ่มอยู่ดีจากนั้นมันจึงหายวับไปกับความมืดพระมุโซได้เดินตามไปว่ามันหายไปทางไหนกันแต่ก็ไม่เห็นเปรตตอนนั้นเสีแล้ว ท่านจึงพนมมือสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เปรตตนนั้นเช้าวันต่อมาชาวบ้านที่กลับมาจากหมู่บ้านข้างเคียงและเห็นพระมุโซกําลังเก็บข้าวของเพื่อจะทุดงต่อไปแต่ขณะเดียวกันท่านกมลไปยังห้องเก็บศพที่ทุกคนต่างทําความสะอาดและไม่มีทีท่าว่าจะตกใจหรือเสียใจกับศพที่หายไปเลยแม้แต่น้อยท่านได้สอบถามเรื่องนี้กับลูกชายผู้ตามได้ความว่าพวกเขาชินกับเรื่องนี้แล้วว่าเมื่อไหร่ที่มีคนตายและนํำศพมาไว้ที่ห้องเก็บศพศพนั้นจะต้องเป็นอันหายไป แต่เขาก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าทําไมศพถึงหายไปได้เพราะไม่เคยมีใครบอกสาเหตุอย่างชัดเจนมาก่อนพระมุโซจึงฉเฉลยคาตอบว่าเมื่อคืนท่านพบเจอกับเปรตที่มากัดกินศพจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกจึงเป็นสาเหตุให้ศพหายไปนั่นเองแม้ว่าท่านจะบอกเล่าเรื่องราวอันน่าสยดสยองแต่ชาวบ้านที่ได้ฟังก็ยังคงนิ่งเฉยอยู่โดยให้คําตอบว่าพวกเขาพอทราบมาบ้างจากคําบอกเล่าของปู่ย่าตายายแต่ยังไม่เคยเห็นด้วยตนเองสักครั้ง พระมุโซจึงถามลูกชายของผู้ตายว่าแล้วพระที่อาศัยอยู่บนเขาไม่ได้ลงมาทําพิธีสวดส่งวิญญาณศพ บ, บ้างหรืออย่างไรชายหนุ่มได้ให้คําตอบว่าบนเขาไม่ได้มีพระมาพำนักอาศัยอยู่นานมากแล้วจึงไม่แปลกที่จะไม่มีพระมาสวดศพซึ่งขัดแย้งกับเหตุการณ์ที่พระมุโซได้พบมาก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันที่ท่านได้พบกับพระชรารูปหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมบนเขาจากนั้นพระมุโซก็ได้เดินทางต่อไปและท่านยังนึงสงสัยในพระชรารูปนั้นอยู่ เพราะจากคำบอกเล่าของลูกชายผู้ตายว่าไม่มีพระมาอาศัยอยู่นานแล้วท่านจึงตามหากระท่อมจนพบและได้พบกับพระชราอีกครั้งแต่คราวนี้ดูท่าทีของพระชราเปลี่ยนไปโดยกล่าวสรรเสริญพระมุโซว่วาเป็นพระผู้ทรงศีลและเป็นบุญอย่างมากที่ตนได้พบกับพระมุโซและอธิบายถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ไม่ยอมให้พระมุโซพักค้างแรมในกระท่อมด้วยเนื่องจากความจริงแล้วตนได้ตายกลายเป็นผีเปรตมาอย่างยาวนานโดยมีหลุงฝังศพท่านอยู่ข้างๆกระท่อมนี้เอง เมื่ อ, อยามที่มีคนตายในหมู่บ้านตนก็จะกลายร่างเป็นเปรตเพื่อไปกัดกินศพอย่างที่พระมุโซเห็นเมื่อคือนนี้นั่นก็แสดงว่าผีเปรตที่พระมุโซเห็นเมื่อคือนคือหลวงตาแก่ๆท่านนี้นี่เองพระมุโซจึงถามไปว่าแล้วเหตุใดที่ทําให้พระชราต้องตายกลายเป็นเปรตเปรตในร่างพระชราได้เล่าว่าเมื่อครั้งที่ตนยังมีชีวิตอยู่ท่านได้บวชเป็นพระและได้ ท, ำทํำพิธีสวดส่งวิ ญ, ญญาณให้กับศพในหมู่บ้านชาวบ้านไดนําของมาถวายมากมาย ทำให้ตนเกิดความละโมกโลภมากครั้งต่อมาจึงได้เรียกเงินเป็นจํานวนมากเพื่อแลกกับการที่ตนต้องไปสวดส่งมิญญาณเหล่านั้นด้วยเหตุจากความโลภนี้เองที่ทําให้เมื่อตายไปแล้วตนจึงได้กลายเป็นเปรตและกลับไปหากินกับศพเช่นเดิมแต่สถานะเปลี่ยนไปเมื่อไม่ได้หากินกับศพโในการตอบแทนเป็นสินน้ําใจแต่มีการกัดกินสร้างศพอย่างไม่เคยรู้จักอิ่มเลยเปรตในร่างพระชรายังได้ขอร้องให้พระมุโซช่วยให้ตนหลุดพ้นจากความทารมานในสภาพของเปรตอีกด้วย หลังจากสิ้นคำพูดของเปรตทุกอย่างก็เงียบหายไปรวมถึงร่างของพระชารานั้นด้วยที่เห็นตรงหน้ามีเพียงซากกระท่อมที่ประหลักหักพังกับรุมศพของพระชาราเท่านั้นพระมุโ ซ, โซจึงได้กลับไปหาชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วเล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังพร้อมกับให้ช่วยกันทำบุญแถมเมตตาไปให้กับเปรตตนนี้มากมากและจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏเห็นเปรตมากินศพอีกเลยและศพคนตายก็ไม่ได้หายไปเหมือนเช่นทุกครั้งจึงสันนิษฐานได้ว่าเปรตตนนี้ได้ไปสู่สุขติ หรือไปเกิดในภพภูมิอื่นแล้วแต่ความเชื่อเกี่ยวกับเปรตในญี่ปุ่นทำให้ชาวญี่ปุ่นมีการประกอบพิธีกรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าพิธีเซงากิซึ่งมีการทำบุญให้กับเปรตโดยมีเขามาจากเทศการเชิงเม้งของจีนนั่นเองจบกันไปแล้วนะครับ